บทที <Book> 85 85ซึปออปคำถามอดีตการ1ปร่งคถามอดีตการหนึน่งคำถามอดีตนามตรหนึ คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วคุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว ค, คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว คุณนอนหลับสบายไหมค่กูส์ีฟเต้คยคุณสอบผ่านได้อย่างไรค่กูโลูโจิฟเตอิ์คุณหาทางพบได้อย่างไรค่กูนพัูด์อฟเต์ คุณพูดกับใครมา Sukugo razgovarvte s so k u g o r g o v a คุณนัดกับใครมา s u so k o g o sedovorivte Sukugo s e d o คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา s u so k o g o slavevte roden den สกุกอส с л เวฟเตอรูดันดันคุณไปอยู่ที่ไหนมาค่าเดบิฟเต้ค่าเดบิ е เตคุณเคยอยู่ที่ไหนมาค่าเ в จิเวเคุณเคยทำงานที่ไหนมา ค а д е р а б о ุเอฟเตคุณแนะนาอะไรไปแล้วสตอป р ิปอรัชเอฟเต้ส о อปริปอรัชเอฟเคุณทานอะไรมาสตอยาเดฟเต้สต д ยาเดคุณได้พบอะไรมาคัคโคดูสนาฟเต คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุลคคุบรคุณใช้เวลาบินนานเท่าไรคุลคูโดลโก้คุูเาคุณกระโดดได้สูงเท่าไรุ่ลคูวิวิน